กายสังขารสภาพอันแตกกายวจีสังขาร ส, สภาพอันแตก จ, จิตวจีสังขารอสภาพอันแตกวาจาจิตตาสังขารสภาพอันแตกจิตสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปร่วนอยู่ห้าหวางไม่ได้จงรู้ตามเป็นจริงคิจารณาตามเป็นจริงชิ่นความสงสัยตามเป็นจริง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 อันนี้จังมีผลลัพับคือทุกสังขารปารมารถกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งนอกจากสังขารไม่มีอะไรจะเป็นทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรจะเป็นสังขารทุกก็คือสังขารสังขารก็คือทุกท่นเองสังขารหากเกิดขึ้น สังขารหักตั้งอยู่สังขารหักแปรปรวนสังขารหักดับไปหาระหว่างไม่ได้เมื่อสังขารเกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้แปรปรวนหาระหว่างไม่ได้ดับไปหาระหว่างไม่ได้ทุกข์ก็สัมยุติอยู่หาระหว่างไม่ได้ยกมือท้องใกล้ๆกายังสังขาร ลมหายใจเข้าเป็นกายะสังขารพอเราบัญญัติว่าลมหายใจเข้าก็เป็นกลางลมพอบัญญัติว่ากลางลมก็เป็นท่ายลมพอบัญญัติว่าเป็นท่ายลมก็หายใจออกอีกแล้วก็เป็นต้นลมในทางหายใจออกแล้วก็กลายเป็นท่ายลมก็กลายเป็นทัดตางลมหายใจออกแล้วก็เป็นท้ายลม หายใจออกอีกแล้วขอหายใจเข้าอีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นหายระหว่างไม่ได้กายยัตังขานวัชียัตังขานนึกขึ้นแล้วก็พูดออกมาก็เกิดขึ้นแปลดับหาหระหว่างไม่ได้กิตตังขาอทีนี่เวทนาความสวยอารมณ์สุกทุกอุเบียดขาคอตามสัญญาความจำํำคอตาม สังขารความปรุงแต่งแห่งจิตเดี๋ยวนึกนั่นนึกนี้ก็เกิดขึ้นแปรหาหระหว่างไม่ได้ดับหาหระหว่างไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหน้าที่ของสติปัญญาจะรู้เท่ามิฉะนั้นแล้วก็จะมาหลงรักหลงชังกันอยู่นี้ไว้เราม่รอดสักทีเลยงานของตาส่งรูปเข้าไป หามโนภาพแล้วก็ล่วงไปรัวรูปอันนั้นอันนี้งานของหูส่งเสียงเข้าไปหามโนภาพรู้ว่าเสียงอันนั้นอันนี้แล้วก็ล่วงไปงานของกลิ่นก็เหมือนกันงานของจมูกก็เหมือนกันงานของรสของลิ้นก็เหมือนกันงานของกายของปวภะพ้าก็เหมือนกันงานของธรรมารมที่เกิดกับใจก็เหมือนกันธรรมารมคืออะไร คือรูปเสียงสิ่งลดโสพภะธรรมารมที่เคยได้ผ่านมาแล้วในอดีตจะผ่านไปในอนาคตรหรืออยู่ซึ่งหน้าณะปัจจุบันทึ้งเราเนี่ยโควรเวียนกันอยู่ยนั้นเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแล้วเธอทั้งหลายจงทาจิตเธอให้ว่างซะ แต่ความเป็นจริงไม่ได้ทําให้ว่าเมื่อรู้ว่าตามเปจริงแล้วมันว่างเองมันรู้ว่าอดีตตามเป็นจริงของอดีตร่วงไปแล้วรู้อนาคตตามเปจริงของอนาคตเที่ยังมาถึงรู้ปัจจุบันตามเป็จริงของปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่เมื่อไม่ยึดถือว่าอดีตเป็นตนตนเป็นอดีตไม่ยึดถืออนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตไม่ยึดถือปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันมันก็ว่างอยู่ณที่นั้นเองไม่ต้องทํากิริยาให้ว่าเมื่อเข้าใจว่า เป็นสักควารู้เป็นแต่สักควาเห็นเราไม่มีของเราไม่มีท่านผู้อื่นไม่มีของท่านผู้อื่นไม่มีมีแต่สั้งขานและกองทุกชัดด้วยปัญญาแล้วกิริยาที่จะทำให้ว่างก็ไม่มีเพราะมันว่างอยู่ตามธรรมชาติแล้วทำแท้มันมีมากที่มีมากก็เป็นโวหารโวหารก็หาลงมาสู่อนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั่นเองถ้าหาดออกไปจากอื่นไม่ถูก ถ้าเข้าใจว่าใดๆในโลกรุวนเป็นของเที่ยงใดๆในโลกรุวนเป็นของสุขใดๆในโลกรุวนเป็นตัวเป็นตนใดๆในโลกรุ่นเป็นของสวยงามความเห็นเชิตนั้นก็หลอกตนเองอยู่ไม่มีกลงวันกลางคืนคือกิเลสนะถ้าเห็นตามเป็นจริงคือศีลสมาธิปัญญาคือตัวมรรคผลตัวมรรคตัวมรรคตัวเหตุตัวพืชผลของพืชผลของเหตุผลของมรรคผลภายในทางเจริญ ถ้าเห็นผิดอย่างนั้นเป็นผลไปทางหลวงตนเองเป็นเหตุไปทางหลวงตนเองให้หลงอยู่นอกจากใจไม่มีอันไดจะรู้เท่าใจนอกจากใจไม่มีอันไดจะหลงใจใจเท่านั้นหลงใจใจเท่านั้นรู้เท่าใจใจรู้เท่าใจตอนไหนใจก็รู้เท่าธรรมตอนนั้นถ้าใจหลงใจตอนไหนใจก็หลงธรรมตอนนั้นไม่มีใครจะมาแย่งหลงไม่มีใครจะมาแย่งรู้ตามจริง มีงานของใจเท่านั้นงานอื่นเขาไม่ได้มาแยกใจที่มีกิเลสก็หลงใจใจที่บันเทากิเลก็ไม่พ่อยจะหลงใจใจที่พ้นจากกายไปแล้วก็ไม่หลงใจอีกใจที่พ้นจากกายก็คือใจที่ไม่มีกิเลสใจกำลังจะปฏิบัติใจข้อคือใจมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องรักษาท่านทั้งหลายจงดูให้มีที่พึ่ง ยาอยู่ไม่มีเที่พึ่งภาวรมสารีรัตน์เที่ยพึ่งของไก่คืออะไรคือทานวัตศีรษะวัตภาวนาวัตก็คือพุทธธรรมสง์เราดีมีเอพุทธธรรมสงก็ทรงอยู่ที่ใจไม่ได้ทรงอยู่ที่อื่นถ้าเราถือพุทธธรรมสงถ้าเราถือศีลศีลก็ทรงอยู่ที่ใจถ้าเราถือเวทมนตรราคาถาหรือเรื่องดียามดีความหลงอนั้นก็ทรงอยู่ที่ใจชนะความหลงเป็นตอนตอนก็ชนะอยู่ที่ใจความหลงในชั้นหยาบ ของสุภิปณูปิดบางสุภิ ป, ปนูหลวงถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของไม่ประเสริฐหลวงถืออย่างนั้นถือว่าพุทธธรรมสงฆ์เป็นของร้อยไม่ทันสมัยเขาเอาจจพแท้เราไม่ทันสมัยพุทธธรรมสงฆ์เราไม่สมฐานะพุทธธรรมสงฆ์เราจึงไม่ยินดีพุทธธรรมสงฆ์ทรงดุจใจถ้ายินดีในพุทธธรรมสงฆ์จริ ง, งไหน ทีเบียดเบียนตนนั้นเบียดเบียนท่านผู้อื่นสิ่งนั้นก็คือบาปนั่นเองก็คือสิ่งที่เป็นทุจริตนั่นเองก็คือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นเองผู้มีเป็นมนุษย์เต็มภูมิเป็นพระสวัดิวันผู้นั้นไม่ล่วงละเมิดเสียน่าไม่ล่วงละเมิดอบายยมุขไม่ใช่ได้เลยไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสตราอื่นเลย ไม่เสียดายจะอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือหลือดียามดีเพราะเป็นเรื่องผิดไม่เป็นจริงทายาทุกประเภทเป็นมนุษย์วิบัติถ้าเว้นแล้วเป็นมนุษย์สมบัติการถืออยู่ยงคงกระพันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด คำสอนพระพุทธศาสานาย่นลงมาสั้นๆถ้าจะยน่นย่นลงมาที่ดวงใจจงพยายามรำจิตในละชั่วทำดีจงพยายามบันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทาั้งหลายเหตุดีผลกด็ดีอยู่ที่ใจในตอนนั้นนั้น เหตุชั่วผลก็ชั่วอยู่ที่ใจในดอนตอนนั้นนั้นทำดีก็ไปฉลองดีอยู่ที่ใจคือบุญทำทั่วก็ไปสะบั ฉ, ฉลองความเดือดร้อนอยู่ที่ใจคือบาตนั่นแหละตามส่วนคุณค่าของเหตุที่สร้างขึ้นน้อยจะมากทีนี่เขาก็มาให้หลวงปู่พูดมากก็เขียนว่านะ สงสารท่านผู้มาแต่โลกนั่นนาไม่อำนวยเลยยะชาวาลิหาพูราปิภูเรนติสากะลเอวังเอวะอิโตเทนังเปตานังโกกะปติอิจิตังอิจิตังตุมังสิปเมวะตานิสตุกะเปูรินตุสังกะปา จันโทปนันโยธาม่นโชทิลโทยถาลาภิตโยยวัชจุสาวทุโคก็ไปโยตุระโภคเมาัตสตุมาเทพบวตตวนตรายุสุสีทิชายุปุรวะอภิวาสนาศีพิสันนิจังโทาปจาโยยัตตารธรวมาวันติอายวโนสุขังปราเพียมิมตตาไม่ได้ลาบาก โยนิสีผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าในไครเกิดพูดขึ้นพูดออกมาคำเดียวทั่วทั้งใจโลก่านเลยโยนิสีก็ทั่วทั้งใจโลกธานแล้วไม่ได้ว่าทัพเพศตาทุกิตาอนตุทัศเพศตาเวลาอนตุไม่ได้ว่าอย่างนั้นโยนิสีผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าในใครและเกิดพูดขึ้น ส, autant, horses, สิ่งที่มีวิยนญาณก็ค้ายๆกับว่าสิ่งที่มีว <It> ียญาณของสิ่งที Ana, vezes, yards, ่ทั้งไปโลกธาตุจงเป็นสุขในพุทธสงรมสงุญทุกหน้าค่ายๆคับพูดอย่างนั้นคําว่าโยนิสีสั้นกว่านนั้นอีกเป็นอักษรย่อโยนิสีทุกต้นหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรร์อยู่ทุกหน้าเทืินสุกในพุทธธรรสงุญคือสุขในพระสวธรรมันคาคามีนาคามีอารานเป็นอันดับไปสุกันอื่นมันถอยหลังสุกอันนี้มันเป็นโลกุตรสุกไปเอาละ งดไม่ทำกรรมพระสงฆ์นั่นเองผูกแขนก็คือผู ก, กจิตผูกใจให้ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์นั่นเองสมาทานก็คือสมาทาน จ, จิตใจให้ถึงว่าพุทธธรรมพระสงค์นั่นเองตั้งสัจจะอธิษฐานก็อันเดียวกันเพราะตั้งสัจจะอธิษฐานใน ใ, นใจในะว่าพุทธธรรมพระสงค์นั่นเองแ ล, ล้วรื้อไ ด, ไ ก, ไดกว่าดีเพราะ ก, การถวายชีวิตอยู่ทุกเงานไม่มีประการ ขเป็นข้าเป็นาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกวัไม่มีประมาณขอถึงึงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกวไม่มีประมาณขอทูนถวายสกุลนักกายวาใจใจเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกวไม่มีประมาณทรัพย์ในแทบไตโรกธาตุมีสังหารที่มาทรัพย์อสังหารที่ทรัพย์ตลอดถึงวิญญาณกทรัพย์สวิญญาณัทัพตลอดถึงศรัทธาทรัพย์ตลอดถึงปัญญาทรัพย์ เป็นภายนอกและภายในจะอุทิตศ ก, กุณ ล, ละกายวายาจใจเป็นทรัพอันนั้นทูลถวายต่อพุทธทรรสงอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณูุขาจอกข า, ขานแล้วเลิกได้ไม่เลิกได้พอดีขอเป็นข้าเป็นทาสพุทธทรรสงอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณขอให้พุทธธรสงศ์ขีร่รถเดีย่ยวรถเดียดย่ำทมน้ําลายคายน้ำมูกใส่อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณทบกืนกินพร้อมแต่เป็นพุคธาธิฐานี่ยทําไมถึงทำหลังนั้นเพรา ะ, สะแสดงศรัทธาของตนออกมา แสดงความเชื่อของตนออกมาให้ตนเห็นให้ตนถึงว่าพุทธธรรมสงไม่สงสัยแน่นเลยแผ่นดินสะนาสองแสนสี่หมื่นโยธเขาอาลูกระเบิดพรามาณูทำลายแตกจิตใจถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีท่านผู้ใดจะทำแตกเลยแม้จะตายไว้ได้หอรอชาติก็ตามรานชาติอสงไขสงไข่ชาติก็จะ ไม่หนีจากพระพุทธธรรมพระสงค์จิตใจมันนึกอย่างนั้นมันก็หมดเท่านั้นที่พึ่งทำจรารวัตรระบาดของพุทธจัาสรเสียอธิบายให้ถึงพระนิพพานได้ทั้งนั้นทำไมจึงมีโลกีมาุนเปยพระเอาศาสตราอื่นมาปนเปพระพุทธศจตร์า ข้าพุทธศาสนพระ พ, ษษ พ, พรหมมหจรรย์เบื้องต้นก็ถึงถือเอาสุปจิปัโนเท่านั้นต่ํากว่านั้นลงมาพระพุทธศาสนายไมา่รับรองสันทิปคีโกก็ถือเอาพรหมอาจรรย์เบื้องต้นอคาลิโกก็เมือนกันสันทิปคีโ ก, กเห็นเองก็นับแต่พระโสดาวันเบื้องต้นไปนับต่ําลงมากว่านั้นท่านไม่เอาใช่ไหมแต่พวกเรา เอาศาสนาอื่นๆไป ป, ไปกับพระพุทธศาสนาก็ต้องมีทั้โลกีและโลกุตรายึ่งเหยิงกันที่แท้พระพุทธศาสนาเป็นโลกุตรายุ่สอนไม่ใช่โลกีคนที่ควรเชื่อได้ในอันนี้ก็สองก็คือพระสวัสดวันเราดีเองชุบพระจ้านโก็คือพระสวัสดิวันเราดีเอ ง, เองนัน่นที่โตคฆราวาสัง มันทิศเป็นผู้ครองเรือนก็คือพระสวัสดิบาลเราดีๆนี่เองไม่ใช่ดายอยากล่วงําหมิดสินค้าไม่ใช่ดายอยากจะลวกอะเารดยมุกไม่เชี่ดายอยากจะค่าขายเครื่องผ้าค้าขายมนุษย์ค่าายสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ที่ตัวข้าวเปลี่นอาหารค้าขายน้ำมองค้าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้ไม่มีในพระสวัสดิบาลเลยพระพุทธศาสานาปกครองโลกทุกยุคทุกสมัยของพระบรมศาดา และทรงพระบัญญัติตรงกันด้วยไม่แย่งกันทําไปโรคบาลคุ้มครองโรคสองอย่างให้ดีวความละอายต่อบาพพทอปทุจริตโอตะปะเส่็จครูอัตตบาปทุจริตทำสองประการนี้เองคุ้มครองโรคพราะพระเจ้าองค์ไหนๆก็มาลงเอยกันไม่ได้บอกว่าลูกระเบิดนิวเคลียร์โรคระเบิดปรมาณู แต่ชาวโลกเข้าใจว่าคําสอนของตนดีเด่นกว่าพระพุทธศาสนะาแล้ก็โดยถือว่าพระพุทธศาสนาะเป็นของใหม่ทันสมัยตนไม่ทันสมัยพระพุทธศาสนาะไม่พูดเลยพ่ออ้แม่กูเอ๋ยพระพุทธศาสนาะเป็นมรุษย์สมบัติจำภูมิเวทนาญาตมุขมุษย์สมบัติจำภูมิ ถ้าลวกอวัยวะก็มนุษย์ิบัติถ้ามนุษย์ิบัติแล้ก็สลัรปฏิบัติแล้วก็ปรมปิบัติแล้วก็พระนิพพานปิบัติตัวไปตัวเลยศาสนาใดาในใตโลกธาธตุก่อตามถ้าไม่มาเรื่องใสพระพุทธศาสนาเนี้จจกไม่เปิดประตูทางชุเจป น, น, นุนกถอยเช่นพระโมคคาาัคราสารีหุด ก็มาเลื่อมสศาสตาพุทธเสียก่อคือเลื่อมสพระอาทิตยก็เรื่อมสายศาสตราพุทธเราดีๆนี่เองจึงสามารถถึงวสุวดาวันอันนักชัตว์ทุตเทศถือศาสตาอื่นชะจาเพิถานานิอภพโหกาตุงที่ทาเป็นั้งเครัตนนิพนิธามเทเทนสัจเจนสุวติโมตุอันนี้เป็นรัตนะอันเปินใหญ่พระสวดาบันพระสวดาวันไม่ถือศาสตาอื่น พาจาพิษานานิอภพโกกาตุลอภิษฐานโทษอย่างหนักหมาทุฆ่าฆามดาตาิทุก่าฆาวิดาอนัตชาขาดฆาปาหเราเหนตัวมาชะลาเพื่เพุ่อจเข้ า, าตางาง้งยมรับเหตุการณ้ากันไปทักงปเพศยังสงสัยแตจจกกันอันญัดชัดตุ้ดเพศถือศาสตราอื่นไม่มีในพระสรวดาบันเลยนั่ น, น, น, นั่นัเรียกก็เราเคยได้ยินตั้งแต่อันันตเรียกรรมฆาทีนี้ ในทงหมดหกก็เพิ่มอันนั้นต้องจะหกขึ้นอีกในหลักนัดทำโอ๋นะครับในรัตนสูตรก็บอกว่าลชาชาพิสารานี้เขาโผลับาที่ทำเตี้ท่านเตี้ยแลรวจนปิทัเป็นรัตนะอันตรีของพระสงฆ์คือพระเสดาวันสูตรนี่เป็นสูตพระสดดาวันมาทุกข้าขามันนาป็นทักข้าขามีาอรับแต่ข้าขาปรหานโลกที่จะมาทำนาพระพุทธเจ้าต้องยอมลงเหตุให้หอกกันไป สังคเพศยาสองกระแตกากาพันสังคเพศในทีนี้ผู้ไม่รู้จักคารว่าทําสังคเพศได้หรือไม่ไม่ได้ทำได้แต่สังฆราศีดูในเีมาเดียวกันจึงทําสังคเพตได้แก่สองทางได้ทางละสององค์เป็นประมาณนางชิคขามานาเขาทำสังคเพตไม่ได้นางพิชฌีนีเขาทำสังคเพตไม่ได้ นานาสังวัตนานานิกายพอทำจนกระเภื่ไม่ได้แต่ทําได้สงังฆรายสีพระพุทธศาสนาสอนอยนั้นพระอุบาลีเป็นผู้แจกชานธิธรรมอาศัยพระอุบาลีท่านอธิบายพระอุบาลีในท่านพุทธการใช่อุบาลีคมุคมาทานเราไม่สงสัยคําสอนพระพุทธศาสนาเลยทําไมอาราธดาบทุตกระดาบทรามรบุตร ภาวนาจนถึงเดวสัญญาณาสัญญายตชนะแล้วแ้วไม่ถึงพระชวดาบันก็เพราะเหตุไม่สมาทานตนไม่ยืนยันเอารนะพุทธคำสมเป็นทิพึ่งแมวไม่ถึงไปสนาคมยังเป็นทิฐิศาสดาอันหนึ่งอยู่แหวนอยู่เห็นฉะนั้นพระบรมศาสตรามามองเตีแมวตัสรุไหมดเออเชได้หนอเชได้หนอ เธอเช่มโยงการไปแล้วเจวันถ้าหากว่าเรามาทันเธอก็จะถึงประโทาวันเราไม่มาทันชักยาเลยถ้าอย่างนั้นเราก็จะไปหาพวกปัญญาวัคคีนัดมีทีอ่อ้าทำไมจึ ง, งมีวิมุตโกีิมและโลกุตราวิมุตมาปุตเกันก็เพราะเอาวิมุต จ, จากเวลาอื่นมาปุตเตย์แล้ พ, พุทธศาสนา คมชานสูตรสูตรที่เป็นตาข่ายคมชานเบว้างต้นก็รับรองแต่ชุบจะับโนเท่านั้นเ mm. มทดมนกลละตาขาเออเลิกยายามีอยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ชุบจะับโนเบืงต้น เป็นเสยศาสตร์เป็นตระศ า, านาคาถานนถ้าไปดูสมมเณรไปเรียนก็เป็นอาบัตทุกกฎตระถ า, านคาถานั่น่นนางท่านบวชจนจะตายแล้วนะภาวนาตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วไปหาพระเล็บไหลอยู่พระเล็บไหลมันมีไหม มันก็มีเรียกบินมันก็มีเครื่อง บ, บินหรือเรียกไฝก็คือว่าไฟรโยนอ่ะัพวกนี้เป็นมิถีานวิถีนะฮะเรียกไฝ <c oughs> เรียกแตกเร็กแตกตูมก็มีคือปืนเราไม่ลงเลยพูดนอกไหเพออธิบายพูดหลายกัะเทือนโลก นโมพระโสดาบันเป็นนโมที่ไม่หนุนทานโมพระจตถาทามีเป็นนโมละเอียดไปกว่นั้นนโมพระอนาคามีนอบ น, อน้อนจนไม่มีราคะโทสะ น, นโมพระอรหันนอบน้อมจบแล้วไม่มีกิเดสไม่มีราคคคินาโทสักคินาโมคขาดสิ้นไปหมดแล้วเรียกว่าเรียนนโมจบพระอรหันไตรสนาคมของท่านก็จบแล้ว คมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายเองนะแต่ถ้าสูตรถ้าสูตรส่งต่อพระนิพพานหมดน้องคนสูตรก็ส่งต่อพระนิพพาอนอนย้สัจจาในทัศนังนิพพานาสติกษษษษษษิริยาจากเอตมังคณมุตตะมังนะทำให้แจ้งเึ่งพระนิพพานก็ครบพระตไตรป <Okay. S 1> ิฎกแล้วอาเสวนาจะพาหน า, าง ยาขับผ่านชาติถ้าเป็นมิตรกันพขับมันทิด บ, บันทิดในที่นี้หมายขนาดไหน น, นับแต่พระสวราบันขึ้นไปจนถึงพระรหัสยาขับปันทิดเนียกว่าโลกระบรรทิดบรรทิดทุกวันนี้นุ่งห่มกลางเกลียนล็อกเท้าเหยียบที่ไก่แล้วไม่ได้ว่าบรรไม่ได้ว่าบรรทิดในทางพุธทธศาสนาก็เองบรรทิตานั้นจับ บัณฑิตาบรรจารตัวทอนะบรรทูมันทิศบัณฑิตอ่านเป็นบัณฑิตก็อ่านกันอ่านเป็นบัณฑิตอ่านตรงตัวเลยแต่ว่าทิศ ต, ตัวนี้เป็นตัวทอนะบรรอ่านเป็นบัณฑิตก็เปลี่ยนจป็ตเปลี่ยนเป็นภาษามุขนับจากพัสดดาบานขึ้นไปบัณฑิตโลกุตระบัณฑิตเพราะเราเป็นโลกีเพราะพุทธศาสนาะไ ม, ไม่ไม่นับเข้าเลย นั่นนั่นนั่นน่าพุทธศาสนาเป็นธมาธิปไตยเธอจะมีประชาธิปไตยตั้งรลล้านมายินดีด้วยกันก็ตามเต็มไตโลกทาตจะมาออกเสียงมาช่วยนั่มีระยะกินเป็นระยะระยะมันไม่เป็นไรหรอกจะมาพร้อมกันทั้งแต่โลกทาต พระพุทธศาสนาก็ไม่เอาด้วยเพราะไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นธรรมชาธิปไตยนั่นบาปก็ต้องเป็นบาปตามเดิมบุญก็ต้องเป็นบุญตามเดิมพระพุทธศาสนาไม่มีฉันทะคติโทสาคติโมหาคติพยาคติถึงไหนที่ดีจะไปบันดาบร้วยชั่วมันก็ไม่ถูกนะแล้วยังพราความรักไข่ต่างเรียกฉันทาคติรักไข่มันมันจะทําเหตุสักอยียงไหนว่ารักไข่มันเรียกฉันทาคติ ลำเอียงพ่อครางไม่ชอบกันเรียกโทสากติมันจะพูดถูกสักเพียงไหนก็มาให้คะแนนมันพ่อรักมันพ่อจิตขี้เกียจมันก็เรียกว่าโทสากติลำเอียงพ่อกรัวเรียกพยาคติมันจะทําผิดสักเพียงไหนก็ตามครัวอิทธิผลมันก็เรียกพยาคติลำเอียงพ่อเขาเรียกโมหากติทําไมจึงเป็นโมหากติเพราะขบเรื่องนั้นไม่ถูกเรียกเขาโมหากติ พกการเนียนั่นไม่ไม ah ่แจกอ่านเรื่องนั่นไม่แจกเรียกว่าโมหาปกติเราไม่สงสัยลัทธิใดๆจะเหนือพระพุทธศาสนาไปได้เลยจึงยอมรับนับถือว่าสัตว์ทังเจพยัญนะอด่งเตีวราภฏิุณนางบริสุดทางภูมิคเดียงปราเสียทเมื่อที่บูรแล้วทั้งเรื่องต้นทั้งข้าตาทั้งที่สุดเ้ืงต้นคืออะไร บื้องต้นเป็นบุคคลคืออะไรคือเบื้องต้นคือพระสวดิรันเบื่องกลางคือสัทาวามเมอนาคารบื้องท่าคือพระทหัา์เบื้องต้นในข้าวปฏิบัติคืออะไรเบื้องต้นในข้อปฏิบัติคือศีลคือสมาเบื่องกลางสมาธิเบื้อง่าคือปัญญาเบื้องต้นทานศีลภาวนาถูกมีประมาณอันเดียวกันนั่นทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีโลคิยทานโลคุตระาน โลกุตรธทานโลกุตระศีลโลกุตระสมาธิโลกุตระปัญญาโลกุตระเกตนาคือพระสวัสวิโลกุตรธานศีลภาวนาก็คือพระสวัสดิเหลือนอกนั้นแปลไม่เหมือนกันเป็นโลกีนะน้โมโลกีคือน้าโมอะไรน้โมเลขน้โมขาน้โมบัตน้โมเบอร์น้โมบากน้าโมน้โมลงนรกเอาคาสอนด้วยคุณธศาสนะมาปุกเละนนนั่นนั่ก่อยแม่คือเอ้ยนั่นนั่นน ที่ธรรมจักรเขาบวตาะนาสืบสืบเบื้งต้นเพราะพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นยังไม่มีปาราชิตสี่ขั้นขาทสี่4ุสามอันนี้ัดสองวิดสีไปวัดทีสามถปที่ตอนทสงไปีตอนทีสี่ไวี่เจ็ดชุดห้าที่พนัสมาถามเกตก็ยังไม่มีทาไมจึงไม่มีเพราะไม่มีผู้ร่วงละเมิดก็ไม่มีซิแต่คาสอนมันเาใจไปดอกแล้ว คำสอนว่าต้นชาติที่ลูกขาชน า, าวิศวานนำไปตุกขัง น, นี่คือแสดงลูกขันจะเรองกับเพไม่มีผู้ร่วงละเมิดก็ไม่มีทิแต่คําสอนมันพราะใ ไ, ไปลกแล้วคําสอนว่าต้นชาติที่ลูกขาชน า, าวิศวานนำไปตุกขัง น, นี่คือแสดงลูก ข, ขันจะเอรเองกับความโศกเศร้าเสียใจอิงกับโชว์องทับขีดเด็ดก็เรียกว า, ามขันอิงกับขีดเด็ดนมะันมันครบแล้วครบลูกครบนามแล้ว ทีนี้ท่านก็บอกอัธทังที่โกมัคโขเสวยที่ทังสัมมาทิฏฐิสัมมาทัตตวะชาสัมมันตัวอัจฉริยะนสติสมาธิมันก็เป็นไตรสิขาครบ8เหมือนเีื้อพระคำธรรมขันธ์อยู่ในตัวนี้อ่าอ่าด้านใจสิขาเนี่ยอาิสินคิขาสิขาคือสินเนี่ยอาิตกิตตสิขาคือยิ่งอาทิตปัญญาสิขาสิขาคือปัญญายิ่ง อาิตย์สินสิขาสิขาสิสินยิ่งอาทิตปัญญาศึกขาสิขาอาทิตย์กิตตาศึกษาศึกษาสิสินยิ่งอาทิตปัญญาึกษาศึกษาคือปัญญายิ่งพระสวัสดิบาลยิ่งในพระสวัสดิบาลยิ่งในสัคขาธามียิ่งในพระอนาคามียิ่งในพระอรหันต์จะเอามาเทียบกันไม่ได้ยิ่งในพระพุทธเจ้ายิ่งในพระสมมาสัพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้สินสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นชั้นที่หนึ่งพระพุทเก้เป็นชั้นที่สองพระท่านตาเสนาศพเป็นชั้นที่สามสัคขาคามี เป็นชั wie, ้นเที out, ่ยสี burnout, naden, so uh, ่ถ้าจักรทากามีเป็นขั้นที่ยงห้าถ้าวดาบันเป็นขั้นเที่หทางโลกุตระแบ่งออกเป็นหกขั้วเช่นพุทธสีจําพวกสมาถ้าพุทธจําพวกหนึ่งปัจเจกถ้าพุทธจําพวกหนึ่งสาวกสาวิกาพุทธจัาพุกหนึ่งสาวกสาวิกาพุทธแบ่งออกเป็นสี่อีกมือนกันถ้าชวดาบันจักรทากามีนาคาบเนี่ยก็พุทธเรียกภาษาวโกพุทธสาวิกาพุทธ ก็ถึงสวดาปานสัจธรรมีอนาคามีอรหัพวกพระเกศกับพุทธะสัมมาสพุทธะนั่นอยู่กับพุทธะสียยมพวกส่วนพระหันธ์ขี่ผู้ไปพระตะโกเตวิโชสารพิณโยปีนี้ทำให้ท่านประโถนั่นยกไป้เทางนีน่นเป็นเรื่องของสาวกสาวิตาอันั้นไม่ใช่กุมของพระเกไม่ใช่กู่ของพระสมาสพุทธเจ้านี่ปัญหาสวดมาว่าพระเกศก็ดี พระธรมมสัพก่ทธเจ้าผ่านพระสวัสดิบาลหรือไม่ไม่ผ่านพระสวดาบาลพอเต็มภูมิก็เป็นพระปฏิเกิดเลยพอเป็นภูมิก็เป็นพระธรรมสัพพุทธเจ้าเลยถ้าผ่านพระสวดาบันก็เป็นภูมิสามก้เราเข้าใจอย่างนี้มานานแล้วทําในทางพระพุทธศาสตร์นะธรรมะในทางพระพุทธศาสตรนะอะไรลึกลึกมากก็พระอนัตตาเป็นผู้ลึกลึกมากอันนี้จังต้องตุกขังศาสนาอื่นๆเขาก็รู้จักกันอยู่ แต่ไม่แยากกายเท่าพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นโลภีทําไมจะเป็นโลภีเพราะเขายังไม่ถึงไตชนะคงก็เป็นโลภีสิทนั่งนันน่เขายังอวดดีแขนดีกับพระพุทธศาสนาอยู่สาําพระแขนดีมานะักถือตัวอภิมาลนกะดูเนท่านมาัทโมภะประมาทเลื่ออะไรครับที่ พระพุทธเจ้าอามากะสุอันเดียวกันมรบางอเรบกันด้วพวกอย่างนี้เลยพระพุทเจ้าจะมีกี่ร้อยกระามอันนี้พระสัทว์ตตุโลที่พระเจมากกว่ารมาเป็นยุกยุกยุยมาเป็นยุกยก็ยยอันเดียวกันนะนะนะ คดีดำคดีแรงในโรงในศาลมันจบเกสียงเป็นกรรมและผลของกรรมจบเสียงเป็นเหตุฉะนั้นเราจึงเขารพพระพุทธศาสนามาชุกจุกมทุบประกุอ่อนกอทุกท่อขันเดียวขยายออกไปทุกทอมุ้ยจะมีปหาตายกับพวกนี้กไแต่ดีว่าก็คือใบใบขาดนังว แม่เกลียวซ่คือแมีต้นไม้เป็นลูกคุดข้าะต้เป็นลูกคโอ้แล้วกคือปลายคึอแม่คุดข้าวใบใอญ่ไม่ตดมเจสาเสบียั้งใจลงโล่งสีย่าใช่ันใจลงโล่งยืดตัวไปตรงนี้ได้คือผู้ท้ผู้ท้ผู้มากเ็กั้นใจแล้วก็เมื่อย ข้นนั chair, ่งหอดมัศเจ้าข yeah. <laughs> <laughs> ึ้นนั่งหอดวันอีกเจแห้เมื่อยหลายหอดมหอดตาพี่ย่านาเก่าเนี่ปัจจุบันเขาบอกว่าหายหลวู่บอกหลายเลยบางคนสงสารท่านผู้มาแต่โรคดั่งนาไม่อำนวยเลยพ่เพื่อนว่าหลวงปู่สิข่างจำบ้าเราพวกฉันจำเอาจำเอาอย่างเร็นอย่า ก็มาแค่เดียวทค่ะเพิ่นไม่จมาสิพกเขาก็มาจักเสียเพิ่นมาพูดจบก่อมาแ้วมาแน่ว่ะเพิ่นไปเยมาอยากขนแกนบอเขน่าะุลกฐาบอมากอมาจัดวัดแสนธรรรัน้ขัดีผม่าสบวันเพิ่นโตท้ษาเลย่อลูกเตา ย่างเรอรับจอดอ่ะอายุหาสิบคุณป้าอายุาิบกติลังล้วรับจอดีต้นน่ดข้าลก็งบาีา้าวาบปลขรม่นี่กลังสามประถาเกาสั่นอยู่อองงมาย 3ามสิบสองแต่ั้งสองด่านกุ้งฮาซิมิสเน่าฮาซิมิสกุ้งตาบ้าบ้าก็จะเข้าไปเกี่ยวสมบัติสงเขาก็จะใส่แล้วนี่อะไรตดิวแต่ถ้าสมบัติหกมีที่จับสามท่จับแล้ยังเห็ดเลยยังมีเขาก็เป็นเรื่องไม้หุ่น โอ้บรบุรุษบรรพองปูมันติกรอยากมากสั่อ้ยบรบุรุษเยมาลูกลกปูลูกปู่บดเ็แย่งไว้ดอกก็สิเรืองของปู่ืนแต่ว่าเกือบบ้านนั่นนี่ดีฮะล่ะแต่ว่าหลบวิธีในการครอบครัวเป็นเรื่องของปู่อื่นปู่อื่นมากเลยมากนองกระจอยเนาะปู่อื่นเป็นเรื่องอปูอื่นปู่อื่บเเรืองของคนหน่งก็ไม่น่าสุดปเจ้าพนันมาสั่งมาสั ล้าเราโตกเกิดยุ่งซุงอยู่แะทุกกันไปหรอไหวลองฟูในอะไรแหวนเลยๆภาวนาอย่ากมนอะไรนี่ถ้าเกิดมื่งซุงถ้าเราถ้าบุญเกิดนม่บุญถ้าบาปเกิดบากว่าถ้าบุญจสองอายุเพืได้ทำบาปจะสองอายุเอให้ทำจะสลองใจถ้าบุญจะสลองใจถ้าบาปจะสลองใจมัจะสลองในต่างๆนี่เองหอก น้องปูยังวางอะไรให้น้องปูิ่งกอเี่ลูกเตามากเากันงไงลูกเตแดงแ่งื้อกันบาน่สิเี้ยแย่งย่งนี้ยเทาตายออลูกเต่าเเพิ่งด้มากแกะไดงมากว่าตดนีันแยงแ่ะอบกันบเมน่ไม่แย่งจะดีแล้ว เขาลงหนังสือพิมพ์แม่ค่ะราะอาาต๊ะใจหองเลนแกวก้วมาโอ้ยลงปลาใส่นอแกวจำไม่ขาดป่าไปสนาอยากมาอยากมากกับพ่อเมากมากมันเขาลงหนังสือพิมพ์ลงปลาเชี่ยงไม่ฝนอะไรเนยปลาเชียงไม่ฝร้วันไม่เรื่องเข้าหรอกที่แรกเราอายตกใจลูกซเลยว่าอ่านเบิ่งข่ายฟังเดีเขาบอกไลเรียง่เยี้ย รบโบราณเชื่อไหมรบโเราณตาทิพย์คอันนี้มันรบโบราณตาทิพย์เด้อรบโบาณิเศษอันนี้เดี๋ยวเมื่านเดีแล้วคอนซื้อไปรบกู้จะได้ภาคอืมงานเป็นงาเป็นเนี่ันอุ์ไงพันธุ์เนี่ยเพื่อตอนเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตนก็ข้ามผู้รู้ไม่ได้เหมือนกัน ถ้ายืนยันว่าเราเป็นคนโง่คนโง่เป็นเราก็ข้ามโง่ไม่ได้เหมือนกันพระมันในเราอยู่ในนั้นนี่เป็นธรรมชั้สูงของผู้เจริญนิปัสนาทุระล้วนไม่ใช่สมาธิถ้ายืนยันว่าตนเป็นปัจจุบันปัจจุบันเป็นตนก็ข้ามปัจจุบันไม่ได้ ถ้ายืนยันว่าอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตหรือผู้อื่นเป็นอนาคตอนาคตเป็นผู้อื่นก็ข้ามตนไม่ได้ด้วยเมื่อข้ามตนไม่ได้ก็ข้ามผู้อื่นไม่ได้ก็ข้ามความสงสัยไม่ได้อีกเหมือนกันปัญญาเท่านั้นจะชนะความหลงสิ่งอื่นไม่ชนะปัญญาเป็นกองทับธรรมดึงดูดศีลและสมาธิมาอยู่ในวงแขนของปัญญาแล้วปัญญาเป็นนายหน้า ของธรรมทั้งหลายบางท่านก็บอกว่าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่จิตเด่นดวงถ้าไปอยู่จิตเด่นดวงก็สำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตตายคาอันนั่นก็ไปเกิดในอรูปภพยังไม่พ้นทุกข์เพียร์กนั้นท่านผู้พ้นไปแล้วท่านจึงไม่จิตอยู่ในอิริยาบถใดๆทั้งสิ้นทั้งยืนเดินนั่งนอนลับตื่นอะไรต่ออะไ ร, ารสารภัก งานของท่านจริงว่ย่านี้เมื่อท่านไม่สำคัญตนไว้ว่าอยู่ในอธิยาบทใดๆแล้วงานของท่านก็ไม่มีมันก็พ้นไปแล้วเมื่อสำคัญว่าสมาธิเป็นตนตนเป็นสมาธิตายแล้วก็ไปเกิดเป็นโรงมโลกยังไม่พ้นแต่ก็ยังดีกว่าไปในรลกเมื่อสำคัญว่าปัญญาเป็นตนตนเป็นปัญญา ก็ยังไม่พน้นแต่ไปเกิดในพรมโลกแต่มีอายุยืนกว่าผู้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอ น, นัตตาแต่ยังไม่มีญาณทวัตถุตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกมีรอยปวดกลับอ น, นสงรอยปวดกลับรอยปวดกลับจะมีพระพุทธเจ้าเจ้พระองค์นับไม่ไหวเสียแล้ว แต่ละกับประกับก็มีพระพูที่เจ้าห้าพระองค์บ้ากับนี่มีพระผู้ที่เจ้าห้าพระองค์เหตุฉะนั้นท่านจึงมันยืนยันว่าจะขุมอนัตตารูปาอนัตตาลูกไม่ใช่ตัวตนตาไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนเสียงไม่ใช่ตัวตนกลิ่นไม่ใช่ตัวตน จมไม่ใช่ตัวตนรถไม่ใช่ตัวตนเลี้นไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่สัตว่าสังขารทั้งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ไม่พอในแต่ละลายหนักกายไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ถูกต้องกายมีเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ใช่ตัวนใจไม่ใช่ตัวตนธรรมารมไม่ใช่ตัวตนเธอทั้งหลายจงรู้ธรามเป็นจริงเถิดนี่ทำชั้นสูงเพระพุทธศาสนาเนี่ย ทำท่านจะให้รุธให้พ้นจากพระพุทธศาสนาจากเกเรตอ า, าสวะทั้งหลายแหะเกเรตมันมีเพระเหตุใดถ้าตนไม่มีเกเลตก็ไม่มีถ้าเละไม่มีสนิมก็ไม่มีพระเละมันเกิดจากสนิมถ้าตนไม่มีของตนก็ไม่มีมีแต่สังขารและกองทุกข์ของตนที่มีอยู่ ก็เพราะยังติดสมมติอยู่เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกบ้างพุทธโลกบ้างวนเวียนอยู่ในวัฏสงสานี่นักใครเป็นผู้ไปสมมุติเอาเขาใครเป็นเป็นผู้ไปเที่ยวฟ้องเขามาเป็นสมบัติของตนก็ความหลงเท่านั้นความหลงตั้งอยู่ที่ใจถ้าใจฉลาดถ้าปัญญาฉลาดเนี่ยความหลงนะความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ความหลงจะตั้งอยู่ได้ก็เพราะปัญญายังอ่อนกว่าความหลงถ้าปัญญาเหนือความหลงแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าสว่างเหนือเมือ่อแล้วเมือ่อก็ตั้งอยู่ไม่ได้อันเดียวกันต่อไปนี่ยถงวานิวามุราบริปุเอจิจาระลังเอวเมวิโตทินังปเปตานังมุปาปะติวิจิตังปิจิตังตูมังเกปโมเยวะสัะมมิตตู เจเพตูเรนตสังขปากันโทภนารโทยัคามนโยตีรโยคาสภิตโยยวัจจันสัพพุโคสัพพโยสัพพโลนันตตุมาเทปวัตวันตรายุตุภีตีกายโโคภอภิวาตนตีนิจนิจจมุตตาปชายนจารุัมวรวัจันติอายุวันโนทุกะัะหลัง มั่วดีตายค่าเอดทหารดีตายค่าสนามโลนักเทศดีตายค่าธรรมะพระพุทธเจ้าเศร้าว้าเราไปไม่คาไปแล้วไอ้เราของบดีทอเปิลวาเลยเน่าไปฉีดเธอไปฉีดเธอไปเจ้าขันวามันสมขวัพอาใสพอสอยยุกับน่าเกิดอีสหมูเฮาขันวามันว่าท่านสกขวัพอาใส่พอาะอยนกับ เบื ó, nhà, ่อนายก็หลงกับของตัวกิยอย่างทางบอกาย็หลงกับของว่าพ่อใส่พ่อส่ยกมาเกิดอีกนึ่งตัวถ้าว่าไม่พ่อใส่อใส่ไม่ว่าว่าดอกเขียเข้าเขียดวั้าวยังไปเล้็นนําอมาแล้วอโทษทัโมโ้ไปะ นักรัทาตรงเฮกำลังมันยะทัเกือบลืมมันไม่เคยได้ใส่เกือบืมเกือบลืมมันไม่เคยได้ใส่ ม, ม, มันไ <c oughs> ม, นม่แด้อ่านเก่าอาจะไปหลงไหมับแกเจ็บใจจำเป็นอันเก่ากิ่นจำเป็้อันเกา่าหิวับแป็ น, ย อ, ยนอันเก่าก็มีแต่ก่อนทุกเต็มโลกไม่ไปสงสัยจังไงเออ ถือว่าโลกเป็นทุกปัญหาหลายจัจ่วถือว่าโลกไม่ได้เจ้หของทานเพื่อปัญหามันนี้ไงหลายหลาประเดี๋ยเอาทำไมโล ก, าโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วก้นไม้ก้นหมูกก้นผัก ก, ก้นพวกก็ตั้งมาอยู่ของทําไม่นาคำหนึ่งก้อนกเทเพื่อพิงเองอาศัยทาความช่วในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในที่รับนั่นพระพุทธเจ้าเอามา ก, กินแล้วนะเออ เชื้ทิศจะมีกีร่ร้านก็เชื่อไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนในดเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้นะไม่รู้ไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อนะไม่เชื่อน่ะมันเลอวปวดไหนขันว่าขืนยกกู้หรือว่ากู้บอลหรอเทียมในทางสูงเทียมในทางเลือกขึ้นเพื่อให้คํำนึงรายทางน้พี่น้องกลางเมืองบางต่างไรลงสู่มหาสมุตรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดก็อะไรลงสู่คาสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอ อ, อีีกก ก, ก็จ ง, ง, ง, ง, งนะ นั่ น, น, นอา้าถ้าโลกไม่สินหาไปจำขายของกับว่าต้องเฝ้าตำรวจกับว่าต้องมีทหารกับว่าต้องมีนั่นคำสัอนของพระเจ้าแหละเนี่ยขันว่ามีสิ้นหาไปจำว่ามีอยาก อ, ย า, อายต้าบาปเนี่ตั้งไม่จกักรล้านๆจะตั้งทำไมก้อนไม้ที่ทองเลี้ยนภายในกระทงเทำไมยิตใหญ่มันว่มี บ, ม บ, ม บ, ม บ, มบาปว่ามาีบ่ะขันห้าหวนไหวว่า ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมจากศานสานาใดศาสนาอื่นเอาเป็นประมาณว่าไรแน่บาปว่าเป็นวุลก็มีแน่นวุลวาเป็นบาวกามีนั่นนั่น น, น่นนชาวโลกวุนไหยแต่วัตถุนิยมอุดมคติมาวุ่นไหวอุดมคติดัานคิดใจที่เป็นศีลเป็นธรรมหรือว่าเป็นกระร้างวุ่นไหวในทังความเจริญทั้งโลกมันกระปุบคล้องบมื่อยู่คันคิดใจว่านักมาในทางศีลธรรมพระองค์เจ้า นั่นนั่นเหตุนั่นปฏิเสธสินธรรมพระองค์เจ้าว่าได้ทาไมจึงอาวนาะเพราะมันสกรปกรกล่างกายทําไมจึงปฏิบัติสินธรรมเพราะใจมันสกรปรกนัน่ใจสกรปรกสริเอาอยังมาล้างมันบ่มีบ่มีแนวละบ่มันสินธรรมพระองค์เจา้านี่อันนี้เป็นหน้าที่กวนทิดสําหรับโมูหเป็นพุทธมารกะการปฏิบัติสินธรรมมของสําคัญว่ากขันบ่มีสินธรรมแล้ว ในหาเงินในวัด น, นาลานกบวยวัตระกูลนั้นมั่งคั่งจะตั้งอยู่นาไม่ได้ความสถานส์สิไม่แสวงหาพัะสรุปที่หายแล้วไม่บนนูรณะพระสรุปที่ขํามข้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตติเรวุตทูสิลให้เป็นแม่เรียนเพืเรือนเพื่อหวังจะดํมลงตระกูลควรเว้นสัตย์สิประการนี้สียนั่นนั่นนพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยนั่นนั่ น, น, นการข้องโลกพูดได้ว่าสันทัดเปล่านะพระพุทธเจ้าเราเคยประสบ ก, การณว่าแล้วจึงได้ว่าสอนเท่า จึงทรงพระนามาสัตว์ท้าเทอมนุษยสนาคู้สอนของธรรมดาในมนุษย์ทางหลายการค้าขายพระพุทธเจ้าก็บรรยัตดวยค้าขายเครื่องปหานค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นรงสัตว์ที่ตัวข้าวเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้มาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ชาวโลกไม่ควรประกอบเนอะนั่นนั่นพระพุทธเจ้า สมบัติของชาวโลกข้าพการประกอบด้วยศากาคือเชื่อในพุทธธรรมประสงค์ไม่ถือมงคนตื่นข่าวเคยเชื่อกำไม่เชื่อบางคนไม่แสวงหาเศียรบนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบนแต่ในพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งในสมบัติข้าการและเว้นจากวิบัติข้าพการซึ่งตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าสอนในวัดมีตังแต่เนื้อว่ามีกระดูกเลยือออย่อยหอยแม่เอ๋ยการคบเมตพระพุทธเจ้ากับสอนผัวกับเมียพระพุทธเจ้ากัสอน เรายกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิ่นด้วยมาพืชร่วมใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวภรรยาได้รับควาลงชะนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้สถานให้จัดการงานดีสงเคราะห์กรมทั้งเชียงของผัวดีไม่ประพฤตร่วงใจผัวรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาในว้ยยันไม่เกี่ยค่าในกิจการท่างพวกนั่นๆๆๆๆนั่นผัวกนั่ น, น, น, น, นห้มีอะไรันมีคนรหาคอแล้วตามทะเลาะเบาอย่งงางฉิม่าจ่าประตูใดอ๋อบอกี่นั่นนั่นนัแน่ละว่างพอก้ามีพระพุทธเจ้ามาสอน ท่านในเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบสองทำจิตธุระข อ, องท่านสามดำรงวงตระกูลสืบประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกก็ห้าเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทำบุอุค์ที่ไหนท่านน ะ, นะท่านลงทุนก่อนเท้าหนึ่งให้ห้าก็ทำความชั่วสองให้ท่านอยู่ในความดีสให้ศึกษาเินปาพวิทยาสีหาภรรยาและสามีที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์ภายในสมัยนั่น พระพุทธเจ้าสอนวัดนั่นนๆ่นนั่นนั่ น, น, นกับอาจารย์นะพระพุทธเจ้าก็สอนหนึ่งด้วยลุกขึ้นยืนรับสองด้วยเข้าไปยืนคอยรับท่าย์สามด้วยเชื่อฟังสี่ด้วยอุปถาค่าด้วยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพนั่นนๆ่นนั่นนั น, นี้ส่วนอาจารย์หนึ่งแนะ น, นํานีสองให้เรียนนีสองบ อ, อกสามบอกศิลปวิทยายสิ้นเชิงไม่ปิดวังอำพางสี่ยกกล้องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงในตอนที่ทําถูกถ้าทําความป้องกันในทิศทางหลายเคยจะไปในทิศไหนก็ไมใ่ให้อดอยากนั่นๆั่นพระพุทธเจ้าสอน ว่าคำน่ายพระพุทธเจ้ากัสอนหนึ่งลุกขึ้นทําการงานก่อนนายสองเลือกการงานที่ลังนายสามถือเอาแต่ของที่นายให้อย่าไปรักจอบรักเสียมเป็นต้นสี่ทำการงานให้ดีขึ้นห้านำคุณของนายไปสรรสริญในที่นั้นๆส่วนน่ายพระพุทธเจ้ากัสอน หนึ่งจัดการงานให้ทําตามสมควรแก่กําลังสองด้วยให้อาหารในรางวานันสามด้วยพยาบาลในเวลาเจ็บไข้สีนด้วยแก่ท้องเมีรถแฝดกระดักให้กินห้าด้วยปล่อยในสมัยนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่เขาวข่า ก, กันเข้าล็อกันย่างนี่หรอการทะเลาะแย่งกระบรุมีเชื่อใจกันได้มิตรพระพุทธเจ้าก็สอนครบมิตรมูฮั่นเอาเราม้ามาครบมิตรแล้วเช่นมิตรพีบ้ามาครบกันมูฮั่น เอาเรามาขาไก่ขาง่วงว่าสัน <c oughs> คบเม็ดเพิ่นสวนสทถทุกเพิ่นขาง่วงเฮ็ดสวนสถุกว่าสันชั่วแล้วแล้วเป็นนี้เขาว่าสันมเป็นสวนสถุกเพรามันสวนสนุกก่อนะคบเม็ดพระพุทธเจ้าก็สอน มิตแท้สี่จำพวกมิตรมีอุปการะมิตร่วมสุขร่วมทุกขิตรูนะ้ประโยชน์มิตรมีความรักใคร่มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้กวรเคาะหนึ่งมิตรมีอุปการะมีลักษณะสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วสองป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วสามเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งทานักได้สี่เมื่อมีทุขละช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากสองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะดี หขยายความรับของตนแก่เพื่อนสองปิดความรับของเพื่อนมแาแพร่พันธมไม่ละทิ้งในยามอิบัต 4, ิ4แม้ชีวิตก็อาจร ะ, ะแทนได้3เ ม, ม็ดได้ประโยชน์มีลักษณะสี่หนึห้กระทําความชัว่วส2ให้ตั้งอยู่ในความดี3อนุครัะห์ด้วยนําใจอันงาม4บอกทางสวรรค์ให้นั่น น, นสี่เม็ดมีความนักใคร้มีลักษณะ4ี่หนึ่งทุกข์ก็ทุกข์ด้วย2 ส, สุขก็สุขด้วย3โต้เถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อน4ี่รับรองคนพูดสนเสริญเพื่อน มิตรสี่จำพวกนี่เป็นมิตรแท้ควรครบเนื้อพระบรมศาสดานั่นนั่นนนั่นมิมตรปิฏฐิรูคือคนเทียมมิตรไม่ควรครบหนึ่งคนปอกลอกสองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจบสี่คนชักชวนในทางเสียหายคนสี่จำพวกนี่ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรหนึ่งคนปลอกลอกมีลักษณะสี่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้เพื่อนน้อยก็คิดเอาของเพื่อนว่สาสเมื่อมีภัยแก่ตัวจริงนับทําจิตทรุรคของเพื่อนพออยากขอตะตัง สี่บเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตนสองคนดีแต่พูดมีลักษณะสี่หนึ่งเก็บเอาของล่วงแล้วมาปลาศัยเพืพ<า>พ่อนเพื่อนให้เงินสักร้อยบาทว่าเออแต่ก่อนมีอยู่เพื่อนเ อ, อ๋ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแค่แล้วเก็บเอาของแ ล, ล้วล่วงแล้วมาปลาใส่สองอ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปลาใสยเออเงินเดือนออกเช่ก่อ น, พนเพนื่อนจึงเอาสามสิ่งสงเพาะหาสิ่งที่ประโยชน์ไม่ได้สิ่งสงเพาะสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ เอาของเร็วๆเอาของเร็วๆมาสองขวักเพื่อนสีออกปากพึ่งไม่ได้คนหัวประจบมีลักษณะตสี่จะทําดีมันก็ค่อยตามสองจะทําชั่วมันก็ค่อยตามสามต่อหน้ามันก็ว่าสารเสริญสีรับหลังมันก็ตั้งนินทาสี่คนชักชวนในทางเสียหายมีนักษณะตสี่ชักชวนดืม่มหน้าเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มองเมาในการเล่นการเล่นมีอะไรว่างตะก้อตะแกะอะไรตีปองปมกยั ง, งชักชวนให้มองเมาในการเล่นเล่นฟุตบอล แล้วก็เล่นอะไรสารพัดอะ่ะสีชักส่วนเล่นการพนันหนึ่งชักส่วนดื่มหน้าเมาชักส่วนเที่ยวกลางคืนเที่ยวบาใส่ชราอาซะแล้วก็ใัยไมโคอีกเที่ยวว่าชิชักชวนดื่มหน้าเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักส่วนเที่ยวมามาในการเล่นชักชวนชวนเล่นการพนันไปเถอะเพื่อนเอ๋ยอือาจารย์ออกนั้นบอกเล่นดีอไปเถอะพวกเราอะ ชักกัวให้มามาในการเล่นชักกัวเล่นการพนันนั่นนั่นมนุษย์สมบัติเว้นอันนี้เป็นมนุษย์สมบัติไม่เว้นอันนี้เป็นมนุษย์วิบัตินั่นนนนสอนคาววาตรงโต๊ะสวนพระวันผ่านมาแล้วปริญญาในทางพุทธศาสนาก็มียาตะปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ตีรนะปัญญากําหนดด้วยการพิจารณาปหาณปริญญากําหนดรู้ด้วยการอาศียปริญญาในทางพุทธศาสนา จริยนจบพระตไตรปิฎกก็าตามถ้าเสียดายอยากล่องแล้วเมื่อเส้นห่าอยู่ก็ไม่ใช่พระโสดาบันนั่นเป็นพระโสดันโสดาโสาดาบัดค่ีโสเล่นเลขเล่นผาพระพุทธศาสนามีอยู่เนี้วคำสอนใดๆที่เป็นเกลียวพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดอีพ่ออีแม่เอ๋ยนั่ น, น, นรู้จักอีพ่ออีแม่ไหมพระช้าพาะอีสาน ทีนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะคิจารณาทั้งนั้นให้จะทำถูกทำผิดสักเพียงไหนก็ตามกําและผลของกํามันมีอยู่ถ้ากรรมและผลของกําไม่มีหลวงปู่ก็ไม่มาบวชเลยคดีดำคดีแดงในโรงในศาล มันจบกเกษียนเป็นกรรมและผลของกรรมจบกเกษียนไม่เป็นตามเธออยู่ทุกิยาบทของจิตของใจอีพ่ออีแม่เอ๋ยนนเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อสร้างเหตุลงแล้วผลไม่ประสงค์ก็ได้รับกรรมส่วนควรค่าของเหตุเหตุพืชกรรมผลของเหตุผลของพืชผลของตําก็มีความหมายอันเดียวกัน โลกทิพใจทิพย์ทำทิพย์ทำดีผลของกรรมก็มาหาใจทำชั่วผลของกรรมก็มาหาใจไม่ต้องต้อนเข้าคอกจากเหมือนโคและกระบือมันมาเองมันสิ่งไหนที่ทำแล้วร่อนใจภายหลังสิ่งนั้นอย่าไปทำเถิดพระพุทธศาสนา สิ่งไหนทําลงไปแล้วไม่รอดใจภายหลังสิ่งนั่นแหละเป็นเหตุดีพืชดีกรรมดีผลดีจงทําเถิดเธอทั้งหลายนั่นเองเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างความดีขึ้นไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าที่ไหนมาสร้างขึ้นเอ้ยตบรลมัาสดาสอนไม่มีศาสตราใดๆจะมาสร้างโลกขึ้นเพราะเธอทั้งหลายสร้างขึ้นเองแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองนะแต่ละหัวใจนั่นเอง จงทําจิตให้บันเทิงในตาละชั่วทํำดีเป็นคําสอนของผู้ปฏิจ้าทั้งหลายยนลงมาเลคนเราใจถึงทุกคนใจถึงทางดีก็ได้ดีใจถึงทางชั่วก็ได้ชั่วแมลังวันมันก็บอกว่ามันใจถึงอยู่เหมือนกันเมลังผู้มันก็บอกว่ามันใจถึงเหมือนกันมันิกเจสอนออกไม้มันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันใช่ไหมเมลังพึ่งมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันมันเจกิ์เจสอนออกไม้ เมือียงวันมันก็บอกว่าประชาธิที่ประยเข้ามันแต่ประชาชนที่ประยถ้าประชาชนหนักไปในทางไม่มีบาปเมบุญมันก็ไปตกเหวหมด